แบบที่เป็นความรู้สึกมันเป็นปัญหามันเป็นอข้อสงสัยนึ่งบางทีมันแก้ได้นะเออรู้สึกว่าปฏิบัติไมนทั้งติดขัดอะไรก็เหมือนความคิดเรามันฟงซ่านปรุงแต่งเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มันก็ยึงยึดงว่าเป็นตัวเรามันก็เลยคิดไม่รู้หนู ถ้างั้นเดี๋ยวลองฟังดูนะให้เป็นปลอกๆนะเมื่อกี้อะไรนะความคิดฟุ้งซ่านถูกไหมความคิดฟุ้งซ่านี่ยเป็นอะไรตามที่เราพูดมาเป็นสังขารเนาะเวจะเรียกเป็นขันห้าก็ได้เป็นสังขานใช้คําว่าสังขารก็ได้กันความคิดเป็นสังขารความคิดเป็นเราไหมเมื่อเป็นสังขารความคิดเป็นเราไหมเมื่อมันเป็นสังขารเมื่อเห็นว่ามันเป็นสังขารนี่นี่กำลังไล่เพื่อที่จะ ให้เจอว่ามันติดตรงไหนเออเอาใหม่เห็นแล้วมันคงสั้นถูกไหมความคงสั้นเป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกับเราเห็นด้วยตาว่าเห็นคนเดินไปคนเดินมาเห็นต้นไม้เห็นน่นเห็นนี่เห็นกระรอกนี่คือสิ่งถูกเห็นทั้งหมดเราไปจัดการอะไรมันไม่ได้จึงได้แต่เห็นความคงสั้นมันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันเห็นด้วยใจ ใช่รู้ด้วยใจเห็นด้วยใจว่าอ๋อมันเป็นอากาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพียงแค่ไม่ได้ลำคาญเพียงแค่เพียงแค่เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติว่าความคิดมันก็คืออย่างนี้มันจะคิดมากคิดน้อยมันก็คือความคิดเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอ่านี่เท่ากับเห็นความคิดเท่ากับว่าเห็นธรรมะ เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่งสอนท่านบอกว่าให้เห็นจิตคิดเพราะฉะนั้นที่เห็นนั่นแหละสุดยอดของธรรมแล้วคือจิตมันคิดให้เห็นอ่ามันคิดให้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นพระพุทธเจ้าเห็นความคิดท่านก็เห็นอย่างนี้อ่านี่เราเดินตามทางพระพุทธเจ้าต้องเรียนตามแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนว่าอ๋อเห็นอะไรก็ให้เห็น เพราะนั้นเมื่อเห็นอย่างพระพุทธเจ้าแล้วควรจะอิ่มเอิบใจถ้ภาภูมิใจว่าโอ้สาวทูสาวทสาวทูที่ได้เห็นความคิดอย่างที่ท่านเห็นะสบายใจขึ้นไหมครเนี้เห็นตามพระพุทธเจ้าแล้วตามพ่อ <c oughs> พ่อบอกลูกให้เห็นความคิดนะลูกความคิดมาให้เห็นชนิดที่เยอะแยะไปหมดแล้วทําไมเราลังเกียจละ่ะเพราะนั้นให้จงยินดีเถอะว่าเราได้เห็นอย่างที่พ่อเห็น ยิ้มได้เลยโอ้ต่อไปหนูยิ้มนะเหมือนเห็นความเจ็บตรงไหนยิน้มโอ้ยสุขจริงหนอที่ได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นความคุ้งซานก็เห็นแล้วแล้วต่อมาความคุ้งซ่านก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปก็คือส ง, งบคือคิดน้อยลงพอคิดน้อยลงอันนั้นก็เป็นอาการที่ถูกเห็นอยู่อีกว่าเช่นรู้สึกส ง, งบละอ๋อพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างนี้เห็นว่าสัมผาสดับไปไอความคุงซ่านดับไ ป, าาบไปอาการส ง, งบก็เกิด ขึ้นอ๋ออาการสงบก็เป็นสิ่งถูกรู้พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าไอ้จิตสงบก็เป็นอย่างนี้ไอ้ไม่สงบก็เป็นอย่างนี้โอ้มันสิ่งเดียวกันนี่เออเพราะฉะนั้นข่าวต่อไปมันคุ้งสัน้นก็รู้ว่าคุ้งสั้นไม่คุ้งสร้านก็รู้ว่าไม่คุ้งสัน้สนเนี่ยเดินตามรอยหมดเลยเที่ยงนะอ่าโอ้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดความเห็นใหม่จากที่ลำเกียดมันเนี่ย ให้เป да uh. ็นความอิ่มเอิบใจว่าเราได้เดินตามรอยเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นนี่เขาเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างเนี้ยเอ้าเราก็เห็นอย่างนี้โอ้เห็นอย่างเดียวกันเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เรื่องอะไรก็เห็นทุกข์เหมือนกันเห็นสุขเหมือนกันเห็นความดับอยเหมือนกันเห็นคามเกิดเหมือนกันอ ถึงว่าเนี่ยจิตถึงเวละถ้าเราเข้าใจตัวเองเป็นน่ยคนอื่นเราก็เข้าใจได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านถึงรอบรู้สัพพัญญูก็ท่านเข้าใจเรื่องเนี้ยท่านก็บอกข้าสังแต่เห็นมันอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นเนี่ยถึงความเจ็บความปวดก็อันเดียวกันแหละปวดมากปวดน้อยก็เห็นแล้วรู้แล้วว่าเอออาการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยากเข้าไปเป็นอยากเข้าไปยึดก็เป็นแค่อาการเห็นนะความรูปสร้างก็แต่ทีนี้เอาล่ะถ้าพูดถึงเรื่องแต่ถ้าฟังก็ฟังง่ายเนาะ แต่พอมันเกิดอารมณ์จริงเนี่ยเพราะว่าสติปัญญาตอนนั้นมันมันมันไม่เพียงพอก็ต้องใช้อุบายใช้อุบายก็คือถ้ลวงพ่อเทียนก็คือรู้กายเคลื่อนไหวเนาะเวลาจริงๆอะหัดกายเคลื่อนไหวนี่วนนี้เราถอยหลังมาเยอะเลยนะถอยหลังก็คือหัดอย่างเนี้อย่าไปสนใจอะไงให้แค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกรู้สึกมันมีความคิดมากน้อยก็ไม่สนใจแต่อยู่กับความรู้สึกแต่ไม่ใช่เพ่งแล้วก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาอนะอยู่กับความรู้สึก อ่าเมื่ออยู่กับความรู้สึกอย่างเนี้ใจมันรู้กายเคลื่อนไหวความคิดเนี่ยมันมันคิดไม่ออกถ้าลองคิดมากเม่อไรเนี่ยมือจะผิดแล้วพอมือผิด ก, ก, ก็กระตุกก็กลับมาทําใหม่เพราะนั้นยิ่งคิดมากยิ่งฟุ้งซ่านมากมือมันไปไม่ได้มือจะหยุดบ้างจะผิดบ้างเพราะนั้นเมื่อมันผิดมันก็รู้ถูกมันก็รู้ทัเนี่ยมันกระตุกห น, นกระตุกให้กลับมารู้กายอันนี้เป็นอุบายเนะาะแต่เมื่อกี้ที่พูดตรงนู้นมันเป็นขั้นปัญญาขั้นที่แบบว่ายอมเห็นตามความเป็นจริงเลยฟุ้งซ่านก็รู้เลยว่าฟุง้งซ่าน มันจะฟุ้งซ่านไปขนาดไหนก็ได้แต่รู้ไปฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกสบายใจไม่สบายใจก็เห็นหมดหงุดหงิดก็เห็นเห็นมันมันรู้ได้เเนาะหงุดหงิดก็รู้ไม่หงุดหงิดก็รู้มีความอิ่มเอิบก็รู้รู้นี่ถึงรู้รอบรู้หมดเพราะงั้นก็ถ้าเป็นรู้แล้วก็คือถึงใจแล้วใจแล้ ว, แ, ลวแต่ส่วนมากค น, นะนเอ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราต้องย้อนกลับมาตรงนี้ด้วยนะ ไม่อย่างนั้นเดปัญญาเนี่ยมั น, มนเบนยากศีลเราต้องรักษาศีลอันนี้ขอพูดเรื่องศีลนิดนึงเนาะเพราะว่าการที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงก็ต้องมีศีลถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยสมาธิก็ไม่มีเพราะว่ามันกุ้มร้อนกุ้มอกกุ้มจอยมันครอบงำหมดเลยอะ่ะเพราะนั้นอย่างน้อยศีลห้าศีลห้าคือเนี่ยแคือทางกายวาจาเนี่ยไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายอะละกันอยู่ในศีล ถ้าเนี่ยปฏิบัติทุกคนทุกจริงมันต้องมีศีลเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยสมาธิมันตามมาจิตมันสงบเนาะพอจิตสงบไม่มีสิ่งรบ ก, กวนจิตฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็จะเข้าถึงใจได้ง่ายเห็นตามได้ง่ายก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็คือให้มันกลมกลืนกันสามเกลอสามเกลอแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราจะเอาปัญญาอย่างเดียวไม่มีศีลเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ มันเป็นกลายเป็นปัญญาเจโกก็ได้เจโกเป็นปัญญาที่เจโกไงเพราะว่ามันเข้าข้างอยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องต้องมีศีนก็จะมาเป็นคาราว่าแต่ว่าศีนเนี่ยโอเคระดับเบื้องต้นมันก็มีระดับหนึ่งแต่พอเราฝึกสติเนี่ยความละอายต่อบ่าวมันเกิดขึ้นในใจจนกระทั่งมันไม่กล้ากจะทําเห็นไหมมันก็ทําให้เกิดศีนเพิ่มขึ้นมาอีก แล้วก็สมาธิความตั้งมั่นอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปัญญาจากการนอกจากมีเสียงมีสมาธิมต้องอาศัยการฟังการฟังพรงีการฟังเสร็จเอาปัญญาจากการได้ฟังได้ยินเนี่ยแหละมาใช้มาเป็นที่เลี้ยงก่อนช่วยตัวช่วยเพราะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเวลาเกิด อ, อะไรขึ้นเนี่ยสิ่งที่ได้ยินในความมันมาเลยนะอาจารย์คนนั้นว่ า, อ ย, างงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยให้เราดําเนินไปตามที่ได้ยินได้ฟังมา ก็เป็นนะ น, นี่แหละเดินในทางต้องเดินทางสายนี้นะไอ้ที่เราไปหาสแวงหาความสุขจากการไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้เข้าหาใส่ตัวเนี่ยมันมีแต่ภาระแล้วก็เป็นทุกข์มันไม่ได้ฉุกหรอกภาระหนักกว่าเก่านึกถึง ง, ง่ายเลยเนี่ยไอ้เราก็โง่มาก่อนนะจับโสดใช่ไหมนึกว่าถ้ามีแฟนเนี่ยมันจะเป็นสุขไม่รู้ <laughs> มารู้ตอนหลังโหทุกข์เปล่มีลูกมีโน่น ม, มีทุกข์หมดเลย แต่ น, นี้เมื่อมันมีแล้วก็ต้องต้องก็แล้วก็เล่าใช่ไหมต้องอยู่กันนะ <runs of my heart> แต่ว่าขนาดเดียวกันใจเนี่ยจะต้องมีปัญญาคือให้เหลือแต่หน้าที่ทําตามหน้าที่มันจะเหนื่อยก็ต้องทํำตามหน้าที่แต่ใจเนี่ยไม่ผูกพันหละมีแต่รู้ตัดรู้ก่อนคือเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกยึดไม่ได้สิ่งที่อยู่นอกตัวก็ยึดไม่ได้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในตัวที่เป็นกายเป็นจิตยึดไม่ได้เลยก็ให้มีปัญญาตรงเนี้ยไม่ยึดแต่ให้ทําทําหน้าที่ไปทาแบบไม่ยึดอะ บางทีมันเต็มที่นะดีกว่าประสิทธิภาพอาจจะดีกว่าเก่าก็ได้ทําเต็มที่ขู่ข้าวขู่ปลาเรื่อะรนกด็ไม่ไม่ยึดถื อ, อคกกันไปเรื่องไม่รกยังมีอยูนะอ้เมื่อกี้ไม่มีกิเลด น, นี่มันมาจากไหนอีกเนี่ย <c oughs> เผลอแน่เลยเนี่ยต้องเผลอแน่เลยเนี่ยเนะมื่อกี้เผลอไปคิด ไม่นี่ไงกำลังกําลังสกัดให้แล้วไงสิ่งที่อาตมาพูดอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าให้รู้เท่าทันไม่พระอาจารย์ไม่เบิดเบิดถ้าเขายังจะเอาอีกแล้วไม่ไม่รู้แต่ว่าถามว่าถ้าเราายังต้องออกไปโลกภายนอกใช่ไหมก็บอกอยู่กับปัจจุบันดิเออเออได้ได้ไเออนี่ยี่ที่พูดทุกคํานะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องร่ำเรกโยมนะแต่เป็นเรื่องคือเขาเรียกว่าสกัดไม่ให้เผลอไป ไม่หาไม่ให้เผลอไปในอนาคตบ้างอดีตบ้างก็ตอนแรกโยมนั่งอยู่ดีๆเนี่ยไม่เห็นมีทุกตรงไหนแสดงว่าในใจเมื่อกี้มันแพ้หนึ่งมันคิดแล้วถ้าต่อไปถ้าต่อไปเห็นไหมมันมันออกนอกตัวแล้วนะมันคิดไงมันคิดเลยเราแบบส ก, กัดให้ไงอันนี้ถ้าไม่คิดนะไม่ใช่มีทุกนะเดี๋ยวถ้าเผลอคิดใหม่มีอีกเออลองดูลเลอะแค่นี้ไม่มีหรอกหลัไปนี้ไม่มีคําถามพอจะถามปั๊บคุยอนาคตอีกแล้ว เออได้แล้วก็มันยืดยาวอีกเออเพราะปัจจุบันเนี่ยมันไม่จบหรอกเดี๋ยวมันมีปัญหามากมายแต่ยถ้ารู้เท่าทันต้องก็จะรู้เลยว่าเออถ้าไม่มีไม่มีอนาคตเนี่ยไม่มีทุกอย่างอยู่กันเนี่พอมีทุกพอมันโผล่มาป้าเห็นแล้ก็ก็ไม่ไปไม่ไปตามความคิดลองดูดิไม่ไปตามความคิดมันคิดแต่ไม่ไปตามความคิดเนี่ยมันอยู่ปัจจุบันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็อดคิดไม่ไหวใช่ไหมล่ะอ่าเนี่ย วัคิดไม่ไหวก็รู้เท่าทันก็ก็ฝึกเพนการแสงเหมือนอาจารย์วิสารเทศพเราอยู่นี่เราทําอะไรได้ <c oughs> ใช่ไหมตัวมาอยู่วัดแล้วมันคิดทําอะไรได้ก็ <c oughs> ออกจากวัดก่อนกลับบ้านแล้วค่อยทําแต่ตอนนี้อยู่ตรงเนี้ย <c oughs> เออ <c oughs> เป็นขณาดกัจจุบันไป <c oughs> ลองดูดิบางทีเวลามัน <c oughs> ตอนที่มันไม่คิดานะเพมันไม่ทุกข์ใช่ไหมสัมผัสได้ <c oughs> แต่พอเรานั่งอยู่น่ะใครควรครับนอนาคตมาปั๊บมันกังวลในใจกังวลเขาเรียกว่ากังวลใจในปัจจุบันถู้ป่าแต่พอถูกให้หยุดปับ๊บความกังวลใจก็หายไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันพยายามจะดันมันจะให้ได้คําตอบเอ๊มันจะให้ได้คําตอ บ, ตอบเราถามอย่างนี้อาจารย์สกัดอย่างนี้แต่เรายัางไม่ได้คําตอบเนี่ยมันมันพยายามจะผ mm hmm. ลักดันให้รู้ให้รู้ในอนาคตให้ได้ เพราะนั้นไงตรงที่มันผลักดันในตรงนั้นแหละไตรักระกำลังแสดงแล้วโผล่โผล่เข้าๆออกๆอ่ะคือกับเพื่อนในจิตอ่ะหนักๆเบาๆหนักๆถามอย่างตอบอย่างมือมันขึ้นฮัขึ้นมาเนี่ะเป็นสังขารหมดเลยปุงแต่งดังนั้นดูตรงนี้ก็เหมือนแลยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ถามอย่างตอบอย่างมันไม่ถึงใจแต่ว่าพอให้มองเป็นสภาวะปัจจุบันเข้าใจได้เลยว่าเออเนอเวลามันมันไม่สนใจเราเนี่ยมันจะมีอะไรในใจยุกยิกยุกยนั่นแหละสังขารแหะ ยิบยิบยิบยิบันนะเออสังขารดูก็แค่รู้นะเป็นก็ได้แค่รู้แค่ดูยิบยิบยิบแต่เรียกว่าความขับใจก็ถูกความกระใจก็คือสังขารดีได้ทาได้เห็นมันเนี่ยถูกป่ะแต่ถ้าความสมใจเนี่ยมันไม่เห็นเพราะว่ามันสนใจแล้วคล้ายๆเป็นความสุขความสุขนั่นแหละปัญหาเลยแล้วทําให้เป็นโทษไปหลงไปหลงเป็นหลงก็คือว่าพอถามอะไรคนอื่นตอบสนองให้ทุกเรื่องมันก็เป็นสุข มันไม่เห็นทุกข์สักทเพราะนั้นการตอบโดยวิธีตอบไม่ตรงคําถามนะตรงดู้ว่าโหยิบยิบลึบในใจเนี่ยทุกเกิดอ่ะยุบยิบยุบยิบยุบยิบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยดูตรงนั้นนะก็เซนนะเซนเวลาก็สอนเนี่ยเขาไม่ได้ตอบตามที่ถามหรอกถามเรื่องตอบเรื่องอย่างกับใจเย็นเฉยตรงนี้ หยุดยึบทั้งนั้นแล้วก็เห <Yeah. S 1> ็นเห็นสังขารเลยเห็นชัดเลยว่ามันยุกยิบยุดยิบมันมีน้ำหนักเนี่ย้วกอกจากของพระพุทธเจ้าก็หลวงพ่อปามโอ้เนี่ยท่านใช้บ่อยวิธีเนี่ยก็โยมถามท่านก็ตอบให้หนอนแล้วอาจารย์หลวงพ่อาพูดพูดยังไม่จบโยมก็พืทัดทื้ทัดอยากถามว่าเห็นอะ้รนะอยากถามอยากถามมีปัญหากลับดันให้ให้เคลื่อนข้างในอะเมื่อก่อนเรามองไม่ออกเดี๋ยวนี้มองง่ายมากเลยมันจะมีแรงขับดันคือหนักหนักในอก ให้ฉันนั่งพูดคุยที่เราคิดจะถามกลับมาดูจิตถ้ามีสติมันจะเออมันจะดูเป็นผู้ดูไปก่อนเราจะหยุดอ่าเป็นผู้ดูไปก่อนดูคือมันหนักหนักไม่เสมอกันหนักอย่างบางทีเนี่ยตอนเนี้ยสมมติมันไม่อยากอะไรมันก็ปกติเบาๆแต่ว่ามันอยากถามขึ้นมาเนี่ยมันแน่นอึดเลยมันดังดังบางทีมือสั่นเลยนะอยากจะพูดเลยนะไม่ได้พูดสักทีนะดังพอมือสั่นก็รู้กายเคลื่อนไหวดิถ้ามือไม่สั่นก็รู้ข้างในมัน มันกระชอกมันมัดังเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นก็ยิงเห็นใจรักของจิตใช่ใช่เ็นแเข้าใจเข้าใจแล้วก็จะเป็นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วต่อไปดํารงชีวิตประจําวันจะง่ายเพราะว่าสว่ามีคู่ขนสุนทานาเนี่ยเวลาคุยกันบ้างบางทีเราอยากจะคุยใช่ั้มมันจะเห็นแรงผักดันก่อนแล้วก็เห็นแล้วก็ก็้เจอแล้วหรือบางทีไม่เห็นแรงผักดันแต่พูดไปแล้วแล้วก็นึกออกอะไรเงี้ยมันจะเ็นเห็น สังขารที่มันป้องกันไม่เที่ยงมันขยับได้ในในอกในจิตในใจคนที่เวลาทะเลาะกันเถียงไม่จบปางเพราะอเพราะไม่ได้ไม่ได้สังเกตไายในใช่ไหมมันก็เลยล้นออกไปทางปากแล้วก็พุ่งชนไอ้ฝ่ามันก็พูดอย่างี้อฝ่ยัชนชนชนชนเดี๋ย้่ไหนรู้ตัวก่อนหยุดพักฝั่งได้เปรียบมากเลยนะคนที่พูดน้อยเนี่ยล้วพูดถึง เพราะว่ารู้ข้อมูลเขาหมดแต่ถ้าเราพูดมากเขารู้เราหมดนตอนนั้นต้องฟังเ้าก่อนเวลาเกิดปัญหาท่าดีทางโลกหรือว่ารถชนอนะไนเี้เดี๋ยวไม่ต้องพูดหรอกฟังไออีกฝ่ายหนึ่งก่อนมันว่าอย่างไงแล้วก็เราจะรู้ว่าเขามองแบบไหนอย่างแล้วเราพูดทีหลงแต่ถ้าไม่มีโอกาสพูดพูดตรงนั้นไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องพูดพูดให้ตำรวจฟังดีกว่าแล้วก็ได้ เดี๋ยวองหนูเมื่อกี้หนูชื่ออะไรนะลูกพลอ้อยน้องพลยเมื่อเช้าเขาพูดหลวงพ่อหลงเสียงก็พูดเรื่องพลอยนีละเน้ครับเดี๋ยวนะเมื่อกีอ้เมื่อกี้ที่พูดถึงว่ามันคุ้งสร้างถูกมมันคุ้งสร้างนี่ถ้ามองให้เข้าใจก็คือให้รู้ว่าจิตตอนขณะปัจจุบันนั้ น, นมันเป็นอย่างนั้ น, นทีนี้ ไอต้ตรงที่ไม่อยากให้มันคงสร้างเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นตัณหาคือมีตัวเราผู้ปราถนาคือเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นถูกไหมเห็นไหมมันมีตัวเราอยู่ตัวนึงอ่าอยากได้อยากมีอยากเป็นคือไม่อยากได้ให้มันเป็นอย่างนั้นพอมันไม่สมหวังก็เลยเป็นทุกข์ใจว่าทําไมจิตเราคงสร้างจังมันอยากเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าได้เพียงแค่รู้ว่าตอนนี้มันคงสร้าง ยุ่งซ่านก็ไม่ว่าอะไรมันมันก็ไม่ทุกเห็นไนะพผมองอกอกแล้วเออคือมันคงส้านก็รู้คงส้านแล้วก็ไม่ต้องอยากได้อะไรไม่ต้องอยากได้ความไม่คงสร้างรู้มั้ยรู้มั้หัวลอกก็ได้หัวลอกม า, ก, ม า, ากเออคงส้านอีกแล้วถ้าเป็นโย ก, ก็บอกรู้แล้วรู้แล้วอย่างเงี้ยเอาตัวช่วยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว อาแล้วก็มีอันไหนอีกไหมคุ้มซ่านแล้วอันนี้ผ่านนะคุ้มซ่านก็รูงคุ้มซ่านหลวงพ่อชาเนี่ยสอนง่ายมากเลยท่านบอกทําสมาธิมันยากตรงไหนมันยากตรงไหนท่านบอกว่าเวลามันสงบก็รู้ว่ามันสงบเวลามันไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบโหเราฟังแล้วแบบถึงใจมากเลยความราู้สึกหายเหนื่อยเลยอ่ะใช่ไหมมันมันเหนื่อยตรงไหนเราเพราเรานั่งอย่างเนี้ย ก็เห็นมันคิดนู่นคิดนี่อยู่อย่างเนี้ยเรียกว่าไม่สงบแล้วมันไม่สงบ ก, ก็รู้ว่ามันไม่สงบอะเนี่ยคือทางมันอยู่ที่ตรงเนี้ยไม่ต้องอยากเลยว่าเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะเงียบสักไม่ต้องเลยไอ้ตรงนั้นแหละมันจะทุกข์แล้วปวดหัวเพราะว่าไปมีความอยากอยากให้เป็นตามที่เราต้องการแล้วมันไม่เป็นไปตามใจอยากมันก็บีบบังคับจนเราทั้งปวดหัวแต่ละนั่งให้สบายไม่ต้องเอาอะไรหมดเลยอยู่เฉยๆอย่าง ส ง, งบก็รู้ไม่ส ง, งบก็รู้ไอรู้ตรงนั้นแหะมันยิ่งส ง, งบกว่าอะไรทั้งหมดไอรู้อะนะรู้นั่นแหละเป็นที่มันส ง, งบแบบบวมมาส ง, งบแล้วไอที่รู้อะนอกนั้นอะเป็นอาการทั้งหมดเป็นอาการซึ่งเป็นสังขารปรุงแต่งมันจะปรุงยังไงก็ได้แต่ใจอะที่มันไม่ปรุงแต่งอะที่ใจเป็นรู้อะนั่นแหละส ง, งบบรม ก็รู้คามที่จริงแ้วสศิลให้สิลสมาธิป์จะมาดี่าิปาี่า้าที่เราคิด้อยท่านให้เศรษฐกิีที่สุดแล้วแต่เราเลี him, to to ้ยงท่านบุคลิกใช่ไหมไม่สุบรีออกมาอะไรเนี้ยมันก็ผิดศิลแล้วทำไมคิดสิลป์ลทะายใจ ศีลไปว่าอะไรศีลถ<ช>้ามมถาูกมะศีลห้าใช่ไหมเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนโดยคําพูดเบียดเบีย <ๆ S 2> น, นโดยการกระทําอ่าแล้วสิ่งที่ถูกมะโยมถามอย่างเนี้ยลองดูที่เป็นการเบียดเบียนใครไหมอ่าถ้าสมมติว่ากินอะไรนะเคี้ยวหมากหรือว่าสิ่เคี้ยวหมากถ้าสมมุติว่าท่านเห็นว่าหมากมันเป็นยาสมุนไพรรักษาได้อ่ะอสมมุตินะอันนี้เรามองกันแบบในข้อเท็จจริงที่มันจริงนะไม่ใช่กิเลสเนาะสมมติว่าเอเออ เคียวมากกินมากมันทำให้ไม่เบียดเป็นคือทำให้ อ, อะไรเนาะทำให้แข็งแรงอะ่ะสมมติอะไรก็แล้วแต่เถอะเป็นการเสริมให้ชีวิตอยู่ได้อยู่รอดแล้วก็ไม่ใช่ด้วยกิเลสตนานะ่ะมันก็ไม่ผิดอะไร เ, มม เ, เหมือนกับเอาเราฉีดมา์ฟนน่ะถ้าเราฉีดเพราะเราติดใช่ไหมอย่างนี้เป็นโทษแต่ถ้าจะตายอะปวดมากอะ่ะฉีดมาเฟนก็ฉีดได้ใหรอเ<ม>เออย่งนี้ โลกเขาจีบีล่ะอยากสวิธีนี้นไอนั่นมันก็เป็นเรื่องของของใครของมันนะไงของใครของมันคือบางทีบางเรื่องนะเราเข้าใจเขาไม่ได้นะบางเรื่องนะออเขอจะสอนคนอือคือบางทีเข้าใจในคําพูดการกระทําของเขาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสอนบอกจะไปเข้าใจคนอื่นเถอะเข้าใจตัวเอง <laughs> <laughs> เรียนรู้ตัวเอง <laughs> คนเนี่ยนะที่ละเมิดต่อพระ อริยะสมนะ่ะก็มีเยอะเพราะความไม่รู้บางทีดูบุคลิกเป็นอย่างน้อนอย่างนี้แล้วไปตำหนิติดเตียนอะกรรมมันจะเข้าหาตัวด้ว <ผม S 1> แล้วก็มองตัวเองคนอื่นเราตัดสินไม่ได้ตัดสินไม่ได้แต่ถ้าบอกก็บอกได้อย่างเดียวคือไม่ทําช่วยทําดีประมาณนี้นะ <laughs> แต่นอกนั้นรายละเอียดลึกๆเรารู้ไม่ได้อันตรายนะบางทีไปแม้กระทั่งเป็นคราวาส ด, ด้วยกัน่ะไป เออะไรนะออกความคิดเห็นในทางต้นนี้ดเดียนมันเป็นโทษเป็นภัยเป็นกรรมทางที่ดีอ่ะก็ไรจตนาที่จะไปคิดอะไรทั้งหมดแต่ถ้ามันลักคิดมันอะไรเป็นเรื่องที่มันเป็นเองแล้วไหมก็ได้แค่รู้มันแต่ตั้งใจที่จะนั่งบางทีมันจะเข้าหาตัวแล้วลำบากกเป๋าก็มันดีมันมีมันมี คิดพูดทำเออใช่สามตัวนี่แหละนี่เป็นสังขารหมดมคิดก็คือจิตตสังขารทำก็คือกายะสังขารพูดวาจีสังขารเนี่ยเป็นสังขารคิดจิต ค, คิดไม่เป็นไรถ้ามันคิด เ, เออไม่เป็นไรถ้ามันคิดเองมันเหมือนกับ ว, ว่ามันเป็นสังขารอนัตตาคือสักวันนันก็เบื่แล้วมันก็จะคลายแต่มันคิดมีอยู่นะมันคก็จะคิดแต่ว่าคิดแล้วผ่านไปอ่ะคิดแล้วผ่านไป โอ้โหถ้าไม่มีความคิดมันก็อยู่ในโลกนไงมันก็ต้องคิดมันต้องคิดมันคิดมันคิดมันคิดแล้วเดี๋ยวมันจะคิดพอคิดบางอย่างคิดแล้วให้ทําเนาะทําดีบางทีคิดแล้วให้ทําชั่วมันก็ไม่ทํามันมาจากความคิดหมดแหละความคิดเนี่ยมันสั่งเหมือนกระลาสั่งให้ทําแต่คนถ้ามีสติมีศีลมีธรรมเนี่ยมันก็สติปัญญามันก็จะเป็นตัวแยกแยะตัดตอนว่าเออควรทํำไม่ควรทําเนี่ยมันจะใครควรมันก็ของมันเอง มีประสบการณ์ ห, หนึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับตอนเป็นคาราวาสเลยนะบ้านรู้วติดกันแล้วมีลูกมะยมมะยมอ่ามันอยู่ฝั่งโน้นบ้านเขานี่ฝั่งเราแล้วติดมะยมมันมีลูกโผล่มาบ้านเราดิแค่นี้เลยนะพอทํามือทํำท่าจะหยิบอย่างเงี้ยโอหมันตะโกนดังๆบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราอะ่ะมันผดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นสติสติที่คอยห้ามคอยห้ามเหมือนกับว่าไม่ให้ทําผิด แล้วอีกอันยังบอกเออไม่เป็นไรล็อกนานนานทีอีกอันหนึ่งมันแข็งขันขึ้นมาบอกไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรนะแบบว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญสติก็เพื่อประพฤติพรหมอาจารย์ไม่ใช่เหรอแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยังจะเอาเขาเนี่ยมันไปไม่ได้โอ้โหมันแรงมากเลยสุดท้ายไม่กล้าไม่กล้าจริงๆเลยมันมันอายมันอายเพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวกําลังที่จะพาสู่ต้เรียกว่าที่มันให้บริสุทธิ์มันมีมากกว่า แล้วอีกอันหนึ่งที่เด่นมากอนะอันนี้ถ้าที่ทำได้ไปฉี่ทางรัวตัวบ้านตัวเองเนี่ยพอจะฉี่ปุ๊บมันตะโกนคล้ายๆกันอีกไม่ได้ไม่ได้กินเหม็นอย่างนู้อย่างนี้นะแล้วอีกนั้นเอ้ยไม่เป็นไรหลักเล็กน้อยจริงอันมันมันกัมชักเลยไม่ได้แต่จริงเหตุการณ์อย่างเนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยเกิดขึ้นมากในเรื่องที่ว่ามันมันไม่ให้เราทําผิดทําชั่วเหยียบมดอะไรไม่ได้เลยนะมันมันเห็นแล้วไม่ได้เลยมันผลักขาเลยอ่ะ คือ <c oughs> แบบเห็นเลยนะโอ้โหทำไมตรงนี้ไอ้ทําเนี่ยนะมันสติมันรักษาจริงๆเลยเมื่อก่อนเรารักษาสติรักษาศีลตอนนี้ศีลรักษาเราอ่ะ <ừ. S 1> มันปัดขาเลยเนะี่ยเดินเดนเะนี่ยเห็นมดปั๊บเนี่ยอื <c oughs> มัดผักบิดขา <c oughs> ให้คนไปเลยก็ <c oughs> เลยอืออันนี้นรักษาได้เออมันรักษาแล้รักษาแล้ว